ตัวอย่างสํานวนแบบที่บรรยายแนวการพิจารณาสังขารชุดที่ 3. สสํานวนแบบสืบคน้นในอัจฉติกสูตรสังยุตติกายขันธวารวัคพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะอาศัยอะไรจึงเกิดสุขทุกข์ขึ้นภายในเมื่อรูปมีอยู่เพราะอาศัยรูปจึงเกิดสุขทุกข์ขึ้นภายใน เมื่อเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่เพราะอาศัยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเกิดสุขทุกข์ขึ้นภายในภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจอย่างไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้าตรัสถามว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นภาวะบีบคั้นหรือคล่องสบายภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าเป็นภาวะบีบคั้นพระเจ้าข้าตรัสถามว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นภาวะบีบคั้นมีความโปรนแปรไปได้เป็นธรรมดาไม่อศายสิ่งนั้นจะพึงเกิดสุขทุกข์ขึ้นภายในได้หรือภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่ได้เลยพระเจ้าข้าจึงตรัสตอไปว่าเมื่อมองเห็นอยู่อย่างนี้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 ยังมีข้อความยักษ์เยื้องออกไปอีกหลายอย่างซึ่งแสดงว่าความยึดถืออัตตาสักกายทิทิและมิจฉาทิฏฐิต่างๆหลายอย่างเกิดขึ้นเพราะความถือมั่นเห็นผิดในขันห้าอย่างนี้ในปาลิเลยสูตรสั่งยุตนิกายขันธวารวักพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรมเราแสดงไว้แล้วโดยวิจัยคือแสดงสติปฐานสีสมมัิปทานสี่ อิทธิบาทสอินสี่ห้าพละหโพชฌงเจ็มักมีองค์8โดยวิจัยแต่ครนั้นก็ยังมีภิกษุบางรูปในธรรมวิ น, นัยนี้เกิดความปริวิตตกแห่งใจขึ้นว่าเมื่อรู้อย่างไรเห็นอย่างไรหนออาสะวะจึงจะมีแต่สิ้นไปเรื่อยๆปุถุชนผู้ไม่ได้รับการศึกษาย่อมเห็นคล้อยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ โดยความเป็นอัตตาการเห็นคล้อยไปดังนี้เป็นสังขารก็สังขารนั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยเกิดจากอะไรมีแหล่งอะไรสังขารนั้นเกิดจากตัณหาที่เกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ซึ่งถูกเวทนาอันเนื่องมาแต่อวิชชาสัมผัสคือการรับรู้ด้วยอวิชชากระทบเอาโดยนัยนี้แหลแม้สังขารนั้น ก็จึงเป็นของไม่เที่ยงเป็นของปรุงแต่งเป็นสังคตะอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแม้ตัณหานั้นเวทนานั้นผัสสะคือการรับรู้นั้นแม้อวิชานั้นก็ไม่เที่ยงเป็นของปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเมื่อรู้เมื่อมองเห็นอยู่อย่างนี้แลอาสวะก็จะมีแต่ความสิ้นไปเรื่อยๆในเคลัญยสูตรที่หนึ่งสังยุตตนิกาย สลาญตนาวั์พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมีสติคือปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานสี่มีสัมปชัญญะคือสร้างสัมปชัญญะในการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดเป็นต้นไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดเวทนาที่เป็นสุขขึ้นเธอก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าเวทนาที่เป็นสุขนี้ เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แลเวทนานั้นอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นมิใช่ไม่อาศัยอะไรเลยอาศัยอะไรก็อาศัยกายนี้เองก็กายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้นแล้วสุขเวทนาซึ่งเกิดขึ้นโดยอาศัยกายที่ไม่เที่ยงเป็นของปรุงแต่งเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมคืออาศัยปัจจัยเกิดขึ้นอยู่แล้ว จากเป็นของเที่ยงได้แต่ที่ไหนเธอมองเห็นความเป็นสิ่งไม่เที่ยงความเสื่อมสิ้นไปความจางหายความดับความสลัดออกไปทั้งในกายและในสุขเวทนาอยู่เมื่อเธอมองเห็นอย่างนี้ราคานุสัยที่มีในกายและในสุขเวทนาก็จะถูกละเสดได้เมื่อพิสุกมีสติมีสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดเวทนาที่เป็นทุกข์ขึ้น เธอก็รู้ชัดปฏิคานุสัยที่มีในกายและในทุกขเวทนาก็จะถูกละเสได้เมื่อพิสูุ์มีสติมีสัมมชัญญะอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดเวทนาที่ไม่ทุกขไม่สุขขึ้ น, น, นเธอก็รู้ชัดอวิชานุสัยที่มีในกายและในอทุกขมัตสุขขเวทนาก็จะถูกละเสได้